พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสะสมบุญเป็นเพื่อนเดินทาง วันนี้เป็นวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเสาร์อีกไม่กี่วันวันที่27อ่าก็เป็นวันออกพรรษาและคณะทายาติโยมลูกลานไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก็วันที่26พวกเรา คณะสัทธ า, าติโยมลูกหลานที่เกี่ยวข้องในวัดของเราก็อย่าลืมนะมาร่วมไปชมามาร่วมไปชมสำทงังสานักกรัดสเลขาหรือว่าทางจังหวัดจะได้มาไปชมกันที่วัดวงังแผนแนวอตอนรับพระองค์สมที่ท่านมาเป็นองค์ประธานทอดผ้าพระกฐินวันที่แปด พฤจิกายนพุทธศักราช 2,558 ออกพรรษาได้หนึ่งอาทิตย์นะอาทิตย์ก ว, กว่านิดหน่อยก็เป็นวันทอดกระถินวัดของเราพร น, นั้นวันที่26ที่จะถึงเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่24ฮะวันที่26ที่จะถึงนี่ก็เป็นวันประชุมกับคณะสัายาติโยมผู้เกี่ยวข้อง จะได้มาร่วมหารือกันว่าการที่จะจัดสถานที่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงหลวงพ่อหนักใจที่สุดก็คือเรื่องสถานที่จอดรถเพราะรถทุกวันนี้มากเหลือเกินแต่หัวหน้าส่วนราชการส่วนเดียวหลวงพ่อก็คงจะหนักหนาสาหัส พ, พอสมควรแล้วยังมีพี่น้องประชาชนอีกรถคันหนึ่ง ก็มาสองคนมาคนเดียวสองคนสองสามคนแต่คนดูก็เน่รถมันจะมาก เ, าเกือบจะเท่าเท่าคนแต่คนมันตัวเล็กกว่ า, าไปหลบอยู่ที่ไหนก็ได้แต่รถเนี่ยมันจอดเวลาจอดมันต้องเป็นที่เป็นทางเพราะนั้นที่จอดรถคนส่วนมากมาน่ยหลวงพ่อหนักใจในงานาพระราชทานเพลิงสรีระของ หลวงปู่จามก็กดีหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นหัวหน้าที่เป็นต้นคิดเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องที่จอดรถไว้ก่อนแต่ขนาดนั้นก็ยังโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเรื่องที่จอดรถพผลงานของเรานะ่ก็ไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าของที่สถานที่ของเราน่มันคับแคบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เพราะนั้นให้ช่วยๆกันคิดนะการวางแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนหนึ่งก็คือบริเวณที่ใกล้แผนสองก็ขยับออกไปแผนสามไกลสุดอยู่ตรงไหนแล้วพวกเราจะรับทายเทคนมาได้อย่างไรเหล่านี้แหละอันนี้คนที่หลวงพ่อพูดในขณะนี้ก็คล้ายๆว่าพูดให้ลูกหลานที่นั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่ยแหะให้ช่วยๆกันคิดนะเพราะว่าเราจะได้ นำเสนอวันที่ยี่สิบหอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันขอขอให้พวกเราทบทวนดูวันจะออกพรรษาแล้วพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาปีนี้ปี2558้าห้าสิบปดพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรไว้บ้างจะโกหกพระพุทธโลกไหมพอไปตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน ข้าพเจ้าจะงดเล่าข้าพเจ้าจะงดบุรีอข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสามเดือนอข้าพเจ้าจะงดอบายมุกเรานี่เป็นต้นนะไปต่ออธิษฐานต่อหน้าพระประธานพวกเราไปโกหกกหกคนอื่นยังแล้วยังไม่แล้วนะไปโกหกพระประธานอีกไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นเวลาออกพรรษาเนี่ยพวกเราก็ควรจะ ใครโกหกพระประธานกับคนจะมีดอกไม้ทูบเทียนนึกในใจผู้ข่าได้ประมาทพลาดพังได้พังวายจาไปแล้วรักษาสัตว์ไม่ได้ออให้พวกเราการาบคารวะนะเพราะโกหกพระประทานในบาปนะโกหกตัวเองก็ค่อยยังชั่วโกหกคนอื่นก็ค่อยยังชั่วนะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราพูดดู้ดได้ได้รักษาได้เออใช่ข้าพเจ้ารักษาสัตว์จะได้จริง จนตรอดออกพรรษ า, าข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจับประกอบคุณงามความดีก็เป็นคุณงามความดีจริงๆน่าภูมิใจกับตั้งจิตอธิฐานไว้จากนั้นเราก็นมักกราบขอพรจากพระพุทธปฏิมานะอาขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การที่จะขอพรต้องทำดีซะก่อนจึงขอพร เออไม่ใช่ว่ากินเหล้าเมายาหัวฟัดหัวเหวียงละจะไปหาขอพรจะได้พรอันประเสริฐได้อย่างไรเพราะตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำะถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีสัจจะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเรารักษาสัจจะดีแล้วรักษาศีลดีแล้วประกอบคุณงามความดีดีแล้ว เราก็มาตั้งจิตอธิษฐานเน่ยสาธุเนอผู้ข้านไน้ตั้งจิตอธิษฐานในก่อนที่จะเข้าพรรษาต่อหน้าพุทธปฏิมาข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนอย่า ง, งนัง้นอย่างนั้นงั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วด้วยบุญกุศลด้วยพุทธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีในส่วนนั้น ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นพรังหนุนกิจการงานของข้าพเจ้าหรือหนุนข้าพเจ้าขอจะได้มีความทุกข์ยากลำบากขอให้มีข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจอยู่นัสถานที่ใดก็ให้มีความราบรื่นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มีอุปสรรคนานับประการในชีวิตถ้าเราถ้าเราตั้งความ ถ้าเราทำดีแล้วนะเราก็ตั้ง เ, เราก็ขอพรจากพระพุทธเจ้านะี่อย่างที่พระอนุรุท ธ, ธะเนี่ยสมัยท่านเป็นคนทุกข์ยากลาบากเพราะท่านได้ใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้ า, นะ อ, าอาหารมื้อสุดท้ายของท่านด้วยแล้วก็ท่านก็ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าด้วยพอทำบุญ ใส่บาตรพระปเจกพทธเจ้าเนะ่เขาตั้งจิตอธิษฐานนะทีเพราะเขาทำดีแล้วเมื่อเขาทำดีแล้วทำบุญแล้วเนะ่เขาต้องตั้งจิตอธิษฐานมาสาธุเนอรข้าพเจ้าเกิดมาพบนิชตินี้ทุกอยากเลยเกิดได้ไปเกี่ยวหญ้ามาขายทุกวันแล้วก็ได้มาอาศัยชายคาของผู้อื่นอยู่เป็นอยู่ด้วยคนอื่นข้าพเจ้าทุกอยากและเกิดเกิดมาพบนิชตินี้ต่อ น, นี้ไป เนีเมื่อข้าพเจ้าได้ทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินในทุกพบทุกชาติด้วยเถินออคําว่าไม่มีค่ะคำนี้นะให้พวกเราฟังเอาไว้เหมือนคำคำพูดสั้นๆ น, นะเออคําว่ามี ม, มิไม่มีเงินไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยอไม่มีตึกลานไม่มีเงิน ปัจใจสีไม่มีหยุกไม่มียาดคาว่าไม่มีฮะกินความกว้างมากตั้งจิตอธิฐานของท่านพระอนรธุธะเถระนะในสมัยเมื่อทําบุญกับพระ ป, ระระประเจกพุทธเจ้านะจากนั้นท่านเกิดมาพ่อปเจกพุทธเจ้าท่านก็มองฮะท่านก็มองมองมันเป็นไปได้ไหมเพราะพระปเจกท่านมีญาณรัตนะใช่ฮะจากนั้นท่านก็ เลงไปข้างหน้าเอเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนับไปเลยตัดๆๆๆโอ้ใช่ความปรารถนาของเขาสําเร็จแต่อที่เขาตั้งความปรารถนาในคราวนี้ครั้งนี้พระพเจ้าพระธิาเอวังหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเถิอจากนั้นพระพเจก็เหาะฟึบเอ อันนี้คือพ่อระเจร์กออกจากนิโรธสมาบัติก็มาโปรดพระอนุรุทธะเป็นทุกขตะเนี่นี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีถ้าเราเไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้ก่อนเราจะไปขอพรอไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเมื่อเราทําดีซะก่อนเราจึงขอพรอ พนรนั้นจึงประสิทธิ์ประสัได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็ทบทวนดูในออกการออกพรรษาปีนี้ปีพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันที่24วันที่27เป็นวันปวรารณาออกพรรษาแล้วให้ทบทวนดูว่าก่อนเข้าพรรษาเข้าระ เ, เจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้บ้างบางคนอจโกหกตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบางคนก็อื่น สม บ, บูรณ์บริบูรณ์ในความ ต, ตั้งสัจจักของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทบทวนดูถ้าว่ามันขาดเหลือมันขาดตกในจุดที่เราตั้งจิตตะิฏฐานไว้เราก็ปะซุนซะปะซุนยังไงสมมติว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลตลอดไตรมาสสมเดือนไม่ให้ขาดแต่มันขาดเพราะเหตุไรเพราะเรามีภารกิจธุรกิจพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย จากนี้เราก็รักษาศีลเพิ่มเข้าอีกปะสุนเข้าอีกจุดนั้นให้เต็มบริบูรณ์แล้วว่าแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่แก้ไขสัจจะจุดนั้นเพื่อไม่ให้มันขาดตกไม่ให้มันตกหล่นให้บริบูรณ์นี่แหละอันนี้ก็คือการาปะชุนไม่ใช่ว่าขาดแล้วก็ขาดไปไม่ใช่นะเหมือนกับผ้าขาดถ้าเราไม่ปะไม่ชุนมันก็ขาดหัวอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่น่าดูเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเรา ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้รู้ว่าอืมใช่ปีที่แล้วเยเราตั้งสัตย์จะอธิษฐานจุดนี้เอขาดเท่านั้นหล่นเท่านี้บกพร่องเท่านั้นเท่านี้เราปีต่อไปเราก็จะได้ทําให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะอถ้าเราเป็นคนดีขึ้นไปแล้วน่ะเราก็จะได้ภาคภูมิใจเนีเรพราะอะเพราะเหตุไร พอในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าลืมตัวเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่าลืมอย่าลืมตัวข้าหากว่าพวกเราหลงลืมตัวเมื่อไหร่พวกเราอาจจะถลําไปในทางที่ชั่วได้ง่ายเพราะไรเพราะเราหลงลืมตัวบางคนก็หลงลืมวิชาความรู้ว่าตัวเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านว่า พระพุทธเจ้าไปสยามผูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่าง uh huh. ท่านยังกวาดใบไม้ปาดกวาดไม้กำไม้ประดูใบคงจะเป็นเดือนกุมภามีนาบ้ใบไม้ปะดูมันร่วงลงมาในแผ่นดินพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ในแผ่นดินกับพระสงฆ์ห้าร้อยท่านก็กวาดไม้ใบใบไม้ประดูที่นั่งใกล้ๆท่านากวาดมาท่านก็กำขึ้นมากำหนึ่ง ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายท่านให้ความชนะให้ความสำคัญชนะไหนใบไม้ประดู่ในกํา ม, มือของเราเนี่ยกับใบไม้ประดู่ที่มันหล่นในพื้นแผ่นดินเนี่ยอันไหนมากกว่ากัดเอพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในกํา ม, มือของพระพุทธองค์นั้นน้อยนิดแต่ใบไม้ที่มันหล่นในแผ่นดินมากกว่าพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านี่แหล ะ, ะดูนดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย ความรู้ที่เราได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีมากมายเหมือนกับใบไม้ประดูที่มันหล่นเกลื่อนอยู่ในแผ่นดินแต่ที่เรานำมาสอนพวกเธอท่านทั้งหลายนะเหมือนกับใบไม้อยู่ในก ร, ร ม, มือของเราเท่านี้ที่เรารูนะ้น่ะเออมันไม่เกิดประโยชน์มีมากมายวิชาความรู้พอสอนไปแล้วก็ทำให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายล่มหลงในโลกวัะสงสาร มัวเมาในโลกวัตฏสงสารว่ามีความสุขแต่ที่ใบไม้อยู่ในกา ม, มือของเราเราบอกให้ท่านทั้งหลายอย่าติดอยู่ในโลกวัตฏสงสารอยู่ในโลกวัตฏสงสารนี่มีแต่แก่เจ็บตายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายหนีจากความเกิดแก่เจ็บตายจะทำยังไงจึงจะหนีล้นหลุดพ้นจากความเกิดเก่เจ็บตายนี่หละเราได้สอนวิ ช, ชาตัวนี้ให้กับพวกเธอท่านทั้งหลาย ให้พวกเธอท่านทั้งหลายศึกษานีอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าสรุปแล้วก็คือท่านไมห่หหลงอยู่ในในโลกหลงอยู่ในวิชาความรู้หลงในการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าว่าพวกเราหลงอยู่ในวิชาความรู้หลงในยศตาแหน่งอันนี้คล้ายว่าทําให้ตัวเองลุ่มหลงมัวเมาเหมือนกับตัวเองจะอยู่ในโลกวัฏสงสารนานเท่านานไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องหนี ออกจากโลกวัฏฏะสรงสารสรุปแล้วก็คือตายทุกคนทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกับเอาหลวงพ่อออกความตายมาคู่กันขู่แล้วขู่แล้วซ้ําแล้วซ้ําซากไม่ใช่นะเพียงแต่เตือนให้ฟังเท่านั้นเองว่าหลวงพ่อก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะพวกลูกหลานทั้งหลายก็จะไปเดิ น, ดนตามหลังหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีท้าว่าพวกเราออกจากพบนี้ชาตินี้พวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมสเสี่ยงเดินทางพวกเราเกิดไปต่างประเทศเข้าไปนะพอเราไม่มีทุนใช่คนที่ไม่ไมีมีทุนต่างไปต่างประเทศพอไปถึงเขาก็ลอยแผ่แล้วเป็นยังไงความทุกข์ยากในจุดนั้นแต่ว่าพวกเราก่อนที่จะไปต่างประเทศ เราหาเงินหาคำทรัพสมบัติไว้แล้วบัตร ATM อมมีกี่ธนาคารเางินเพชรนินกินดาเต็มไปหมดในกระเป๋ า, าและก็ทรัพสมบัติของเราเพร้อมหมดทุกอย่างาที่เราจะเดินทางเพราะว่าป ร, ประโลกภายภาคหน้าไม่มีโจรไม่มีขโมยเลยเป็นเป็นคนซื่อสัตย์ที่ว่าซื่อสัตย์สุจริตคือบุญกุศลของใครของเรา ถ้าว่าใครทำสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นก็ติดตัวติดใจของคนนั่นไปคนอื่นจะมาแย่งมาชิงไม่ได้เด็ดขาดเนะี่ถ้ามาจัแย่งมาชิงก็เหมือนกับมาแตะก้อนไฟกองไฟแตะไม่ได้ร้อนกินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของของแต่ละคนเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในภพในชาตินี้ แต่เมื่อเราออกจากชาตินี้ไปแล้วจะเป็นยังไงอแหมผลนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าที่ท่านแแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะจตหายายมทุกๆท่านได้รับปูรับทราบนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็าเถอะนะสายหลงปู่เสาหลงปู่มั่นของพวกเราท่านเตือนแล้วบอกอีกว่าตายแล้วไม่สูดไทยข้าใ ค, ใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูดหลักพิสูจน์มีอยู่แล้วในหลักพุทธศาสนาให้นั่งสมาธิ ในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านดํารงชีพด้วยท่านดํารงสมณะเพศของท่านอยู่ในป่าในดงท่านบําเพ็ญอย่างสุดถึงเจากนั้นท่านก็ได้มาเนะเอา ความที่ท่านได้พบได้เห็นออได้ประสบสําเร็จมาแล้วนั้นมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหะบุญกุศลนะั่นแหละจะนําพาให้กับพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญทั้งภพนีิรชาตินา บุญสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการสร้างขึ้นมาในจิตในใจในหลักธรรมคำสอนเป็นพุทธภาษิตว่าบุญญานิปัลโล ก, กัดสมิงปฏิษถาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนานคล้ายๆก็ว่าคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของพวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าเราทำดีในวันนี้เราก็เป็นมีที่พึ่งเมื่อทำดีในวันนี้แล้วเป็นที่พึ่งในวันนี้แล้วแล้ววันพุ่งวันพุ่งนี้ห่ดหรือในปีหน้าปีต่อไปมันก็เนี่ยแหละที่เราทาดีในวันนี้น่ะเหมือนกับเราทำนานในปีนี้นะเออมันก็เนี่ลนะกินปีในปีต่อไปเออถ้าเราทำไวไวมา ก, กาปีต่อไปต่อไปก็ทาอีกต่อไปอีก ผลี่สุดถ้าเราหาเงินได้ในวันนี้รวยในวันนี้เราก็เก็บไว้กินนานเท่านานไปเลยนะเป็น บ, บุญกุศลก็เช่นเดียวกันปุ่นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์คือสรรพสัตว์คือพวกเราเนี่ยคำว่าสัตว์คํานี้ไม่ใช่สัตว์ที่รชาณนะลูกหลานนะคำว่าสัตตาแปลว่าผู้คล่องในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าผู้คล่องผู้คล่องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะ ข้องอยู่ในภพในชาติจะเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวันตฏสงสารนั่นถว่าชัดตะเป่าผู้ข้องผู้ไปไม่ได้พระอริยะคือพระอรหันต์คือผู้ตัดกิเลสแล้วไม่เยื่อใยในสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกาะข้องทั้งหลายตัดกิเลสตัดเครื่องออมัดตัดวัตฏสงสารไปคือเข้าสู่พระดิพานอันนั้นแว่าเป็นอริยะ เป็นผู้หลุดพ้นแต่พวกเรายังเป็นศักตะยังเป็นผู้คล่องอยู่ยังเปลี่ยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสั่งบุญสั่งสมบุญกุศลให้เป็นสเสบียงสเสบียงเดินทางสเสบียงคือการเป็นอยู่ของพวกเราให้ขนขวายขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเนะี่ยแหละวันนี้ก็หลวงพ่อเองให้แนวความคิดกับคณะทา ย, ยาทโยมโ ล, ลูกหลาน แนวหนึ่งแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีนั่นแหละจะส่งเสริมให้พวกเราไปเกิดในภพภูมิใดจะมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อทำความดีแล้วกรรมดีให้ผลพวกเราจะมีแต่ความสุขแต่เมื่อทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนแลนั่นแหละจะเป็นผู้เดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นสิ่งทั้งสองอย่างดีกับชั่วรู้ไหมดีกับชั่วรู้ไหมดีคืออะไรชั่วคืออะไรพวกเราได้ศึกษาขนาดนี้แล้วได้มาศึกษาธรรมะได้มาศึกษาทั้งโลกมามากพอสมควรแล้วควรจะคงจะรู้ว่าอันดีคืออะไรชั่วคืออะไรแต่ใ น, นหลักของพุทธศาสนาคนณะสัต า, า, า, าธิโยมโ ล, ลูกหลานนะ ท่านบอกไปเลยคนดนะีคือคนมีศีลห้านะถ้าคนคนชั่วนะคือคนศีลห้าแล้วล่วงละเมิดศีลห้าอีต่างหากท่านมาให้ข่าก็ฆ่าท่านมาให้ขโมยก็ขโมยเอท่านไม่ให้ประพฤติผิดนั้าภระร่วงในสามีคนอื่นก็ทําไม่ให้โกหกก็โกหกท่านมาให้กินเหล้าก็กินเหล้าอันนี้แปลว่าผู้ไม่มีศีลห้าล่วงละเมิดศีลห้า อยู่ตลอดเวลาอย่างรุนแรงอีกต่างหากแล้วก็คนที่มีสินห้างดเว้นอย่างสินห้าเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นแหะเป็นคนดีถ้าว่าใครล่วงละเมิดสินห้ายังทําตามอําเภอใจอาถาใจอยากที่จะทํำผิดสินห้าตลอดเนี่แหละเป็นคนชั่วในหะลักทำคําสอนของพุทธะนะท่านว่ายอย่างนั้นนะ ตามไม่จริงเรามาพิจารณาวิเคราะห์ดูกันแล้วกันนะลูกหลานนะให้เราเป็นนั่งอยู่เออไปนั่งอยู่บนศาลกนะ็ได้ศาลพิพากษาเตลวันไอเนี่ยเขาทําอะไรคนนี้เขาทําอะไรมีพฤติกรรมอะไรการกระทำของเขาทํำยังไงเขาจึงติดคุกเราก็พอจะพอจะสรุปได้แต่และครั้งโอ้ คนที่ติดคุกเนี่ยคนขาดสินห้าสมกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดท่านตรัสไว้ว่าศินห้าเป็นศินคุ้มของโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าผู้มีศินห้าถ้าหากว่าใครขาดสินห้าเนี่ยโลกในเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางทั้งหลายทั้งปวงคนขาดศินห้านะ้อแน่แนพวกเราก็จะได้รู้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้คุณค่าของศิน สินห้าของพระพุทธเจ้าเรบัดนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่านนะอ น, าาา อ, นอนนัสตญาญาิโยมต่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนต่นี้นะอุทิศ ส, ส่วนกุศล ด, ด้วยนะอุทิศ ส, ส่วนกุศลด้วยพวกเรามาทําบุญทั้งทีคราวนี้เราอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราอย่างที่ในหลักธรรมคาสอนท่านตรัสท่านบอกไว้ว่า เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะพวกเราเลี้ยงลูกมาเลี้ยงมาเพื่ออะไรเลี้ยงมาเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราลูกของเราจะได้เลี้ยงเราตอบจะได้ทำกิจธุระของเราจะดำรงวงสกุลของเร า, เาแล้วเขาคงจะประพฤติตนเป็นคนดีเขาจะได้รับมรดก ที่เราจะให้เขาต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเราตายลงไปลูกของเราจะได้ไดทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราเนี่แหละพ่อแม่ที่ท่าน เ, เลี้ยงดูพวกเรามาท่านมีจุดประสงค์อย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะนั้นเมื่อเรามาทำบุญในวันนี้กบพวกเราให้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณทา้งว่าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ ขอขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวั น, นะสุขภาระสุขภาพกายสุขภาพจิตให้เข้มแข็งให้มีแต่ความสุขความเจริญนะถ้าว่าทานทันลวงลับไปแล้วก็ขอดวงวิญญาณท่านสิงสถิตอยู่ณที่ใดทินใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งในการประกอบคุณงามความดีด้วยทุกครั้งโดยเทินนะต้องคิดอย่างนั้ น, นเวลาทาบุญนะ